เป็นทุกอยู่แล้วนะนทีแรกคิดว่าเออรถติดไม่เป็นรายนานแค่ไหนก็ได้นะค่าเวลาด้วยการมาดูวิีดูโทรศัพท์หรือว่าใช้โทรศัพท์ขณะที่รถติดเนะี่ยตอนนี้เขาห้ามแล้วนก็จะเรียกว่าเป็นข่าวร้ายนะสำหรับคนขับรถในกรุงเทพแต่มองว่า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 เจริญสตินะกลับมาพูดคุยนะกับคนในบ้านในขณะที่รถยังไม่คยย่งขยับนะจริงเนี่ยถ้าเราใช้โอกาสรู้จักโชว์โอกาสแบบนี้เนี่ยนะเราจะได้ประโยชน์มากจากเหตุการณ์ต่างๆอย่างที่เคยพูดไว้แล้วว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพอได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังเนี่ยนะเรียกว่า 90% วเลยก็จะรีบ